ต่อจากเมื่อเช้าเนี่ยนะข้อความตรงนี้เป็นการคัดเอาข้อความในคัมภีร์อัปทานในพุทธาประทานปปภกรรมปิโลติเนี่ยนะที่พระองค์ใ น, ในหน้า464นะข้อความในอัตถกถาอุทานพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นนายกของโลกนายกก็คือผู้นำานะคือนำสัตว์โลก ให้พ้นจากโอคะนำสัตว์โลกให้พ้นจากกันดาลคำว่ากันดาลก็คือชาติกันดาลเป็นต้นก็คือข้ามพาสัตว์โลกให้ข้ามพ้นจากวัตะพระองค์นั้นแวดล้อมไปด้วยภิกษุสงหมูใหญ่ประทับนั่งอยู่ที่พื้นศิลาอันน่ารื่นรมรุ่งโรดไปด้วยรัตนาต่างๆในละแวกตาอันตลบไปด้วยกลิ่นหอมนานาชนิดใกล้สะอนโนดาต ทรงพยากร์บุพรกรรมของพระองค์ในที่นั้นว่าดูก่อนพิกูุ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังกรรมที่เราทำแล้วก็คือทำกรรมทั้งกุศลกรรมและอ ก, กุศลกรรมที่พระองค์ได้เคยทำมาในอดีต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 ผ้าเก่าแต่ถวายผ้าเก่าผืนเดียวยังไงก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่หมายความว่าจุดที่สําคัญมากตัวแปรที่สําคัญถ้าไม่ถวายผ้าเก่าตั้งความปรารถนาอย่างนั้นพระองค์จะบําเพ็ญบุญกุศลอย่างอื่นไหมจะบําเพ็ญบารมีสิบอุปบารมีสิบปรามัถธบารมีสิบที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีแต่เนื่องจากพระองค์นี้อาศัยถวายผ้าเก่ากับพระพิโสรูปหนึ่ง แล้วตั้งความปรารถนาแรงแห่งความปรารถนาตัวนั้นเนี่ยเป็นอุปนิสัยให้พระองค์นี้ค้นคว้าสมาทานบารมีธรรมทั้งหลายให้ประพฤติตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยแสนกับจนได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นอย่าดูถูกการเจริญกุศลแม้แต่เล็กน้อยถวายผ้าเก่าถวายอะไรก็ตั้งความปรารถนาได้ทั้งนั้นแหละ พระพุทธเจ้าตรัสถึงว่าจิตที่ตั้งไว้ชอบมีอุปการะคุณยิ่งกว่ามารดานะยิ่งกว่าแม่แม่นั้นไม่สามารถให้จักรพรรดิสมบัติได้แต่ผู้ที่ตั้งจิตเอาไว้ชอบทําบุญกุศลได้เป็นอย่างดีบุญกุศลเหล่านั้นสามารถให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิบุญกุศลเหล่านั้นเป็นปัจจัยให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นต้นทั้นบุญที่ที่ได้กระทําลงไปเนี่ยนะแล้วตั้งความปรารถนา นะะชื่อว่าเป็นการตั้งจิตที่ชอบเอาไว้เพราะฉะนั้นเจริญกุศลแต่ละครั้งนี้ไม่ควรละเลยที่จะตั้งความปรารถนาการตั้งความปรารถนาก็คือการตั้งจิตจำงให้แน่วแน่ในสิ่งที่เราต้องการนะควรที่จะเบื่อไหมควรไหมไม่ควรนะถ้ายิ่งเจริญกุศลธรรมระดับสูงด้วยแล้วเนี่ย พ่อที่อบรมพภอชงเป็นต้นเนี่ยท่านบอกว่าอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสลักยิ่งคุณธรรมชั้นสูงเท่าใดความปรารถนาต้องบ่อยยิ่งเท่านั้นเนี่ยนะยิ่งบ่อยขึ้นเท่านั้นเพราะเราอย่าเบื่หน่ายในการตั้งความปรารถนาถึงตอนนั้นยังทำไม่ได้แต่ก็ตั้งอุปนิสัยเอาไว้ก่อนเหมือนกับคนที่เดินทางแล้วมีทิศทางที่ชัดเจน ถ้าหากว่าเราทํากุศลเนี่ยนะแล้วไม่มีการตั้งความปรารถนาะไม่มีอัธนาอัธยาสัยที่มุ่งมั่นเพื่อคุณธรรมชั้นสูงอย่างถูกต้องเราก็คือเป็นคนที่ซัดส า, ายภาษาชาวบ้านก็ใช้คําว่าเบี้ยหัวแตกเนี่ยนะได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปก็เลยไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันสักเรื่องกุศลที่เราทําก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่ตั้งความปรารถนาะโดยเฉพาะตั้งความปรารถนาเพื่อโลกุตระธรรมให้ชัดเจน เราก็เป็นกลุ่มเบี้ยหัวแตกเจริญกุศลก็ไม่รู้เอาผลของกุศลให้เป็นอะไรตั้งจิตตั้งอัธยาศัยของเราให้เป็นอะไรเหมือนเดินทางออกจากบ้านยังไม่รู้ว่าจะไปไหนเนี่ยนะอันนี้เหตุผลที่หนึ่งนะกรรมอย่างแรกก่อนที่ทาให้เป็นพระพุทธเจ้าก็คือถวายผ้าเก่าในการก่อนเราเป็นนายโคบานโคบานนี่แปลว่าคนเลี้ยงโค ต้อนโคไปเลี้ยงเห็นแม่โคกำลังเดื่มน้ำขุนจึงห้ามมันด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นในพบหลังสุดนี้เรากระหายน้ำก็ไม่ได้ดื่มน้ำตามความปรารถนาพระพุทธเจ้าใช้อนาถะน น, นไปตักน้ำสามครั้งอ น, อนาถไปตักน้ำเรากระหายบอกรออีกหน่อยพระเจ้าข่าเกวียนกำลังผ่านมาห้าร้อยเล่มเนี่ยน้ำขุนมากอ น, อนาไปตักน้าเรากระหาย รอหน่อยพระเจ้าข้าบอกปกตินี่ผ้าหน น, นคําเดียวนี่จะไปแล้วแต่เนี่ยด้วยกรรมของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัยก็เลยทําให้ผ้าห น, นอนดึงเรื่องให้มันชาลงจะได้กระหายนานๆเนี่ยนะจะได้กระหายหิวน้ํานานๆก็ด้วยอํานาจของกรรมเก่าไม่น่าคือจะบอกเอ๊ะโคดื่มน้ําเราจะให้ไปดื่มน้ําใสๆมันบาปตรงไหนคําถามเนี่ยมันบาปตรงไหนใช่ไหม มันน่าจะดีสิมันน่าจะได้บุญเราจะได้ไม่ให้เมไม่ให้โคเดิมน้ำคุณคุณมันจะได้ไปดื่มน้ำสะอาดสะอาดอ น, น, นก็ทำไมจึงบาปเออถ้าคิดนะาใครจึงบาปถ้าคนเลี้ยงโคจะตอบได้ว่าทำไมจึงบาปทำไมรู้ไหมโคนี่มันคุยง่ายแบบคนที่ไหนสมมติถ้าเราบอกอย่าเพิ่งดด่มเลยนะมันไม่ยอมหรอกมันก็จะเดิมท่าเดียวเราก็ต้องตีมันเนไ ก็ต้องหวดมันจะต้องตีมันจะต้องอะไรสักอย่างด้วยอํานาจของโทสะนะปกติคนที่เลี้ยงโคเลี้ยงกระบือจะรู้ดีว่าจะทําด้วยอํานาจของโทสะถ้าจะห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะมันไม่ใช่สัตว์ที่คุยกันรู้เรื่องบอกอยานะอย่าเพิ่งข้างหน้ามีน้ํานะถ้าคุยกันด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้ว่าอะไรก็ใช้ไม้ตีเข้าปัา๊บเข้าไปห้ามเพราะ้ลักษณะเหล่านี้กรรมเหล่านี้ที่ทําด้วยโทสานี้ทําให้เกิดการกระหายน้ํา มันะใครเคยกระหายน้ําก็ต้องนึกไหเคยไปห้ามใครเขาดื่มน้ําหรือเปล่าไปทรามานใครไว้ไหมอะไรไหมมันมีเหตุผลต้องสมควรใช่ไหมต้องให้อดสบ้างจะได้รู้อะไรไงี้หรือเปล่าแต่สรุปว่าเราก็มีเหตุผลที่จะต้องสวยผลแห่งกรรมเหมือนกันนะนั้นเวลาหิวไม่ได้กินตามความปรารถนานะเวลากระหายไม่ได้ดื่มตามความปรารถนา นึกไว้เธอว่าคงได้ทําเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นแน่ในชาติหนึ่งในกาลก่อนเราเป็นนักเลงชื่อว่ามุนาลิเราได้กล่าวตู่พระพุทธเจ้าพระนามว่าพระประเจกพระพุทธเจ้านามว่าสุรพีผู้ไม่ประทุษร้ายด้วยวิบากกรรมนั้นเราจึงเที่ยวอยู่ในนรกเป็นเวลานาน ได้เสวยทุกขเวทนาล้ายพันปีด้วยเศษกรรมนั้นในภพหลังสุดท้ายเราจึงได้รับคำกล่าวตู่เพราะนางสุนทรีเป็นเหตุก็คือสูตรที่เพิ่งกล่าวไปที่ทำให้เดียรถีเน่วางแผนที่จะทำลายพระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุสงฆ์อันวิธีทำลายที่สมัยไหนก็ใช้ได้ผลมาเกือบตลอดก็คือแผนเรื่องของการใช้ผู้หญิงเป็นเครื่อง เป็นเครื่องมือซึ่งผู้หญิงคนนั้นไม่รู้ตัวก็เลยยอมให้นะจบทบทวนนะเรื่องวิธีใช้เครื่องมือเขาทำยังไงใช้ให้ผู้หญิงคนนี้ไปเดินเข้าวัดออกวัดหลายๆวันแล้วก็นี่แผนที่หนึ่งที่สองใช้ให้ไปข้ามหมกข้างๆคูน้ํา ร, รอบๆพระเจตาวันนั่นแหละเสร็จแล้วก็เอาศพของผู้หญิงคนนี้มาประจานว่าเนี่ยเป็นพฤติกรรมของพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์นั่น อันนี้คือเหตุใกล้แต่ว่าเหตุไกลจริงๆแล้วกรรมที่พระองค์เนี่ยไปเห็นตอนนั้นเป็นนักเลงใช่ไหมเป็นนักเลงเข้าไปเห็นพระพิสุกําลังพระประเจกกาลังห่มผ้าเพื่อจะไปบินทบาทผู้หญิงเดินผ่านมาแถวนั้นพอดีก็เลยได้ช่องก็เลยหาเรื่องเลยนะหาเรื่องว่าพระประเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมีเรื่องกับผู้หญิงกรรมอันนี้ก็เลยทําให้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เลิกลานนะ เพราะการกล่าวตู่พระเถระนามนันทะสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ครอบงำอันตรายทั้งปวงเราท่องเที่ยวอยู่ในนรกเป็นเวลานานเราท่องเที่ยวอยู่ในนรกนานถึงหมื่นปีได้ความเป็นมนุษย์แล้วได้รับการกล่าวตู่มากมายด้วยเศษกรรมนั้นนางจินจะมานวิกามากับหมู่คนกล่าวตู่เราด้วยคำอันไม่จริงใช่ไมกาลังเทศบรรยายธรรมอยู่ดีเนี่ยนะ นางจินจักมานวิกาก็มาชี้หน้าว่าเลยท่านก็ดีแต่สอนคนอื่นเนี่ยลูกมันจะคลอดอยู่แล้วก็ยังไม่เตรียมหาฟืนหาไฟถ้าไม่ทำเองก็น่าจะใช้อุปถากสิอ่นะก็เลยเรทว่าถูกประจานต่อหน้าสาธารณชนะนะบอกน้องหญิงอ่นะเรื่องนี้เรากับเธอรู้กันสองคนก็ใช่น่ะสิเรื่องอย่างนี้ใครจะไปบอกใครว่านันนะนะใช่องตอนหลังก็ถูกพอออกไปจากตรงนั้ น, น่นะก็คือนางที่ถูกแผ่นดินสูบอีกคนหนึ่ง มันก็กรรมอาณาี่ที่ถูกประจานต่อหน้าสาธารณชนก็ด้วยเศษกรรมเท่านั้นแหละพวกอย่างนี้เนี่ยเศษกรรมไอต้ตรงๆนี่ก็ตกนรกเป็นหมื่นปีเนี่ยนะตกนรกเป็นหมื่นปีเพราะฉะนัี่กรรมที่โดยเฉพาะล่วงกรรมบดเนี่ยนะพวกพฤทวาจาเป็นต้นเนี่ยพวกพฤทว aja าาพวกปิสุณาวาจาเนี่ยอย่างคําพูด ท, ที่ที่นักเลงชื่อว่ามุนาลิกล่าวตูพระประเจกพระพุทธเจ้าก็คือส่อเสียดให้เขาแตกกัน นี่แม้กระทั่งชาติเนี่ยที่ไปกล่าวตูพระเถระนามว่านันทะอันนี้ก็ส่วสอเสียดนั่นเองเพราะคำพูดส่อเสียดนี่ร้ายแรงมากแม้แต่มาเป็นพระพุทธเจ้าเศษกรรมมา น, นั้นก็ทําให้คนมาส่อเสียดต่อหน้าพระพักด้วยซ้ําไปเนี่ยนะเมื่อก่อนเราเป็นพราหมณ์ชื่อวสุ ต, ตวามหาชนพากันสักการะบูชาสอนมนตให้กลับมานพห้0รอคนในป่าใหญ่ ก็เราได้เห็นฤาษีผู้น่ากลัวได้อภิญยาห้ามีฤทธิ์มากมาในสำนักของเราเราจึงกล่าวตู่ฤาษีผู้ไม่ประทุสร้ายโดยบอกกับพวกศิษย์ของเราว่าฤาษีนี้บริโภคกรรมครั้นเราบอกพวกมานพก็เห็นด้วยลำดับนั้นมานบทั้งหมดเที่ยวพิกษาไปตามตระกูลก็พากันบอกมาหาชนว่าฤาษีนี้บริโภคกรรมแปลภาษาไทยว่าฤาษีนี้มีเมียนะ ด้วยวิบากกรรมนั้นภิสูซ่ารอยรูปเหล่านี้ได้รับคํากล่าวตูทั้งหมดเพราะนางสุนทรีเป็นเหตุก็บอกว่าเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าว่ า, าพระพุทธเจ้านิสมสู่กับนางสุนทรีใช่ไหมพวกภิกษุสาวกห้าร้อยเนี่ยฆ่านางสุนทรีเนี่ยหมกเพราะช่วยปกปิดพระพุทธเจ้าจริงๆก็เศษกรรมตอนนั้นเป็นฤาษีเห็น เ, เรื่องของเรื่องก็ฤาษีที่มาใหม่เนี่ยมีฤทธิ์มากเหาะได้ มีความสามารถสูงตัวเองกลัวจะเสื่อมลาบสการะทีนี้วิธีที่จะรักษาลาบสการะไม่ให้ลูกศิษย์แปรพักไปนับถืออาจารย์ใหม่นี่ทำยังไงวิธีการก็คือบอกใส่ร้ายอาจารย์ใหม่ซะเลยใส่ ร, ร้ายฤๅศีที่เหาะมาได้ว่าฤๅศีคนนี้บริโภคกรรม้ลูกศิษย์ก็เชื่อ น, นะว่าอาจารย์พูดก็ต้องจริงละ่ะก็เลยไปเที่ยวพูดตามพูดตามนั้นก็เลยถูกถูกถูกไปที่ไหนก็ถูกดา่าใช่ไหม อยู่บ้านก็ถูกด่าไปบินธบาติชาวบ้านเขาเห็นเขาด่าหมดเว้นแต่พระอริยะสาวกก็ด้วยกรรมที่ไปกล่าวตู่บรือศีผู้มีคุณธรรมนั้นการกล่าวตู่การว่าร้ายผู้มีคุณธรรมทั้งหลายนี่จึงมีโทษมากในการก่อนเราได้ฆ่าพี่น้องต่างพี่น้องชายต่างมารดากันเพราะเหตุแห่งทรัพย์นะศึกแย่งมรดกเนี่ยนะ ก็เลยจับโยนลงในซอกเขาแล้วก็เอาหินทับถมด้วยวิบากกรรมนั้นพระเทวทัตจึงกลิ้งหินสเก็ดหินจึงกลิ้งมากระทบนิ้วหัวแม่เท้าของเราตอนที่พระเทวทัตกลิ้งมาเนี่ยพระองค์ก็บอกว่ามันก็สมควรแก่กรรมในอดีตแล้วเพราะกรรมในอดีตเป็นปัจจัยให้พระเทวทัตกลิ้งหินมากระทบงั้นพระเทวทัตจะบาปด้วยหรือกรณีที่หินมากระทบแล้วพระพุทธเจ้าเจ็บอันนี้เป็นผลของกรรมเก่าแต่เจตนาที่ พระเทวทัตประทุสร้ายอันนั้นเป็นกรรมใหม่เนี่ยนัก็แยกกน <Okay. S 1> ันผลของกรรมเนี่ยนัเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังถูกสเก็ดหินก็บอกว่าปกติเนี่ยนะเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดําเนินไปเนี่ยพวกพวกดินเนี่ยนะมันจะปรับตัวเองให้ราบเรียบหมดที่หลุมก็จะเนินขึ้นที่สูงก็จะยุบลงแล้วก็พวกเศษหินดินกรวดเป็นต้นจะปัดออกไปหมดเลยด้วยด้วยบุญของพระพุทธเจ้า แต่ด้วยแรงแห่งกรรมเนี่ยนะสะเก็ตหินที่พระเทวทัตกระทําเป็นปัจจัยให้กระทบะนิ้วพระบาทนิ้วหัวพระบาทเนี่ยบอกว่าเจ็บเหมือนอะไรเจ็บเหมือนขวานฟันว่างั้นเจ็บเหมือนขวานนี่ฟาดฟันไปเลยเจ็บมา ก, ก น, นะเจ็บจนแค่ไหนรู้ไหมจนพระภิกสุสองต้องช่วยกันหามมันนั้นแหะมาคิดดูนะพระพุทธเจ้ายังถูกหามมันนั้นเนี่ย ก็อันนี้ด้วยแรงแห่งกรรมเพราะฉะนั้นกรรมที่เคยทำเนี่ยมันมันเวลามันให้ผลมันเจ็บปวดขนาดนี้นะเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีคือว่าทศพลยานมีกำลังกายมีกำลังญาณมากขนาดนี้เวลากรรมมันให้ผลจริงๆเนี่ยเดินไปได้หน่อยก็หยุดอโ น, น่เราเหนื่อยใช่เดินไปหน่อยหนึ่งบอกเราเหนื่อยเราจะพักก่อนปูสังคติให้นอนน้อยเหนื่อยมากอันนี้ก็คือด้วยผลแห่งกรรมอันนี้ กรรมเหล่านี้เวลามันให้ผลก็เจ็บปวดนั้นที่พระองค์สอนว่าท่านทั้งหลายถ้าท่านกลัวทุกข์ท่านจะได้ทําชั่วเพราะถ้าหากว่าท่านทานชั่วนะต่อให้ท่านเหาะหนีท่านก็ไม่พ้นไปจากความทุกข์นี้ไปอยู่ที่ไหนเคยเห็นคนไข้เหนื่อยไหมเดินนิดเดียวขยับตัวหน่อยเดียวก็หอบแผลแขๆนั่นแหละอันนี้ก็ด้วยเศษแห่งกรรมเวลากรรมมันให้ผลมันก็เจ็บปวดอย่างนี้แต่ตอนทํานี่เมามันนะ่สนุกมากแล้วล้หูเรามีอํานาจ เราคือผู้ยิ่งใหญ่เราคือผู้ยิ่งใหญ่มันสั่งทำอะไรก็ได้ทำเองก็ได้อะไรก็ได้ยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่เวลากำมันให้ผลเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนลูกนกเหมือนลูกนกที่ลมพายุมาแรงๆอย่างนั้นแหละในการก่อนเราเป็นเด็กเล่นอยู่ที่หนทางใหญ่ <c oughs> เห็นพระประเจกับพะพุทธเจ้าแล้วก็จุดไฟเผาดักทางดักไว้ทั่วหนทาง ด้วยวิบากกรรมนั้นในพบหลังสุดนี้พระเทวทัตจึงชักชวนนายขมังธนูผู้ฆ่าคนเพื่อให้ฆ่าเราเห็นพระประเจกมาบินธบาตใช่ไหมตามภาษาเด็กสนสนะ่ะก็เลยจุดไฟดักหน้าดักหลังห้ามมาบินธบาตสายนี้เด็กขาดนะนะวางแผนจุดไฟห้ามเลยกรรมมันั้นเนี่ยถูกเขาวางแผนซ้อนฆ่าหลายชั้นตอนแรกพระเทวทัตนี่วางแผนว่าให้ในายธนูขมังธนูคนที่หนึ่งไปยิงก่อน ถ้านาขมังธนูคนนั้นยิงเสร็จแล้วให้เดินออกมาทางนี้พระเทวทัตก็วางกำลังอีกสองนายเพื่อนายวางฆ่านายขมังธนูคนที่ที่หนึ่งแล้วก็วางอีกสี่นายเพื่อไว้ฆ่าสองคนแล้วก็วางอีกแปดนายเพื่อว่าฆ่าสคนแล้วก็วางอีกสิบหกคนเพื่อฆ่า8ดคนแล้วก็วางอีกสามสบสคนเพื่อฆ่าสิบหกคนเนี่ยโอ้วางแผนหลายชั้นมากแต่ว่าบรรลุหมดเลยนะพระพุทธเจ้าสอนให้ตรัสรู้ทั้งหมด คือนี่เหตุผลที่ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอะไรทําไมพระ อ, องค์จึงถูกคนเนี่ยวางรอบพระชนก็เพราะกรรมที่เนี่ยนะได้จุดไฟเผาเพื่อจะไล่พระประเจกกับพุทธเจ้าในการก่อนเราเป็นนายควานช้างได้สาช้างให้จับพระประเ จ, ก, ะะเจกมุนีผู้สูงสุดที่กําลังเที่ยวบินธบาติอยู่ด้วยวิบากกรรมนั้นช้างนาลาคีรีเชือกซับมันดุร้าย วิ่งแล่นเข้าไปในซอกเขาเบื้องหน้าผู้ประเสริฐอันนเห็นไหมเวลาช้างเนี่ยนารากีเรงคะชวรั ง, าาารงอธิมัตภูตังเนี่ยช้างมาดักทางตอนที่พระพุทธเจ้าไปบิณธบาตวิ่งมาด้วยความโกรธเนี่ยนะเพราะว่าช้างเนี่ยเมามันซับมันอันนี้กรรมที่เคยไปขี่ช้างเนี่ยนะไล่พระประเจกั้นเวลากรรมมันให้ผลเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมันยังไม่เลือกเลยเนาะน่าจะยับยั้งไว้บ้าง ในการก่อนเราเป็นพระราชาชาตินักลบข้าบุรุษเป็นอันมากด้วยหอกเพราะวิบากกรรมนั้นเราถูกไฟไหม้อย่างเหลือทนในนรกเหลือทนนะก็คือมันต้องทนอ่ะไม่รู้จะทํำยังไงด้วยเศษกรรมนั้นบัดนี้ไฟนั้นไหมผิวหนังที่เท้าของเราทั้งสิน้นเพราะว่ากรรมยังไม่หมดไป เ, เ, เศษกรรมเนี่ยทำให้เรียกว่าเป็นเจ็บปวดแสบปวดร้อนเนี่ยนะเจ็บปวดแสบปวดร้อนที่เข่า บางคนเนี่ยผิวหนังเคยแต่อะไรนะผุพองเจ็บแสบปวดร้อนเป็นกลุ่มงูสวัสดใช่ไหมมันร้อนลักษณะนั้นสงยเคยไปเผาใข่ไว้ว่านะเคยไปเผาใครเคยไปต้มอะไรไว้เวลากำมันให้ผลก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละอย่าคิดว่ามันเล็กมันน้อยนะนึกถึงมีโยมคนหนึ่งเขาต้มน้าร้อนแล้วก็ราดเข้าไปในท่อท่อทิ้งน้ําทิ้งอ่ะ น, นะเพื่อจะฆ่าหนูเป็นต้น แล้วนูมก็ไม่ตายคนมันหลุดมันร่วงอ่ะนะแล้วก็นึกในใจถ้ากรรมอันนี้มันให้ผลนะจะเอาน้ําตาไปเก็บเก็บที่ไหนเนาะเนี่ยเนะผิวหนังมันจะเป็นยังไงนาะเนี่ยนะ่เดยเวลาบาปมันให้ผลนี่มันเจ็บปวดจริงๆเลยนะปวดแค่ไหนออกปวดเจียนตายแล้วก็ปวดแล้วก็ตายตายแล้วก็ตกนรกนี่แหละแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ทํามาเนี่ยอย่าดูถูกบาปว่ามันเล็กน้อยว่าจะไม่จะไม่ให้ผล พะะนันบาปที่สะสมไว้เล็กน้อยเล็กน้อยเนี่ยเวลามันให้ผลก็เจ็บปวดฉันใดผู้ที่เกิดมาในโลกเนี่ยถ้าไม่กลัวบาปจริงๆเนี่ยเป็นคนที่อันตรายที่สุดอันตรายต่อใครต่อคนรอบข้างด้วยต่อตัวเองในอนาคตด้วยในการก่อนเราเป็นเด็กชาวประมงในเกวั ต, ตคามเห็นคนฆ่าปลาแล้วก็เกิดความดีใจด้วยวิบากกรรมนั้นเราจึงปวดศีรษะ เมื่อครั้งพวกเจ้าสักยะถูกเบียดเบียนเพราะถูกเจ้าวิถูตะพาข้านนะก็ถ้าถ้าอยู่ในกลุ่มชาวประมงเวลาเขาหาปลากันเย่เอยเอยดีใจกับเขาด้วยนีนะพอามาเคยแล้วดีใจกับเขานั่นแหละเวลาเขาหาปลาหาอะไรเราก็ไปดีใจกับเขาใช่ไหมถ้าพวกกลุ่มหนึ่งก็เขาวิดกุ้งเขาจับกุ้งแล้วก็ดีใจไปกับเขาที่เขาจะได้เงินเพราะค่ากุ้งเป็นต้นอะไรจะเกิดขึ้นนั่นแหละขอแบ่งบาปเข้ามาบานเลย มันเศษกรรมอันั้นก็ทําให้ปวดศีรษะมากก็เหมือนกับว่าหอ้พระพุทธเจ้าอะไรเอาวอ์ในญาติจนถึงก็ปวดหัวเลยว่างั้นแท้แต่นี้ไม่ใช่เศษกรรมในอดีตเป็นปัจจัยมันใครที่เป็นโรคปวดศีรษะนี่ก็ราเรียกว่าอาจจะเคยไปดีใจที่เขาได้ทําบาปนะไปมูที่ตากับเขาที่เออดีดีดีนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเขาฆ่ามนุษย์แล้วก็ไปยินดีกับเขาเนี่ยนี้หนักมากนะหนักว่าอันนี้นี่แค่ฆ่าอดีใจเออดีๆีเขาฆ่าก็ฆ่าไป มูที่ตาด้วยอะไรด้วยยินดีไปกับเขาด้วยก็เลยยินดีในบาปสิใครที่เกิดมาไม่ทำบาปนี่ช่างมีบุญจริงเนาะเห็นไหแต่ใครทำบาปไปเยอะๆนึกแล้วนะลุงเรืองเนาะพวกเราอันนี้ไม่ไหวเลยนะลุงเรนะืองเนาะเวลากรรมให้ผลเอาน้ำตาไปเก็บไว้ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำบุญกันดีกว่าพรุ่งนี้ <c oughs> เราได้บริพาทก็คือด่าพระสาวกทั้งหลายในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุสะว่าท่านจงเคี้ยวกินแต่ข้าวแดงอย่ากินข้าวสาลีเลยด้วยวิบากกรรมนั้นเราอันพรามนิมนต์แล้วอยู่ในเมืองเวรัญชาในคราวนั้นเราบริโภคข้าวแดงตลอดสามเดือนพระพุทธเจ้าฉันข้าวแดงเนี่ยนะข้าวข้าวแดงก็คืออะไรเาเอาข้าวเหนียวไม่ใช่ข้าวเปลือกไปนึ่ง นึ่งให้มันสุกก่อนแต่ทีนี้เขาไม่อยากเอาเปลือกออกถ้าเอาเปลือกออกแล้วมันจะเสียในชะ่ไาก็นึ่งให้มันสุกแล้วก็พอจะบริโภคเขาก็เอาไปตําแล้วก็เลี้ยงมา้าเลี้ยงอะไรไปนี่เขาก็เอาข้าวแดงเนี่ยใส่ใส่บาทพระนะท่านนนก็ไปโคลกโคลกโคลกโคล ก, คกแล้วก็เอาข้าวแดงเนี่ยไปถวายพระพุทธเจ้าฉันสามเดือนด้วยกันก็ไปด่าคนอื่นให้ให้ด่าพระให้ไปกินข้าวแดงพระองค์ก็เลยเป็นพระพุทธเจ้ายังฉันข้าวแดงตั้ง สมเดือนเนี่ยนะเป็นบางคนเนี่ยถ้าเขาบอกว่านี้ดีนะไม่เหมือนกับชัมพุกะชีวกชัมพุกะชีวกเนี่ยด่าพระอาหารหันต์ให้ไปกินอุจจาระเลยไปกินอุจจาระไปมันชาติหลังมาเนี่ยชัมพุกะชีวกกินอุจจาระห้บหปีเฉพาะชาติสุดท้ายนะัก่อนหน้านั้นอีกต่างหากนเพราะหน้าไปด่าให้ด่าผู้อื่นให้ไปทานอุจจาระทานปัสสาวะเป็นต้นนก่อตัวเองเนี่ยถ้าบางคนหลายคนก็ชอบดื่มน้ําพวกนี้ใช่ไหม มีความสุขกับการดื่มน้ําเหล่านี้เพราะว่าอาดีตเคยไปเนี่ยเคยทําอกุศลไว้เป็นแน่ฉะนั้นเวลากรรมมันให้ผลนี่ก็ต้องที่อดอยากปากแห้งกินข้าวบูดข้าวเน่าอย่างบางท่านเนะ่ยกินแต่ข้าวบูดอย่างเดียวใช่ไหมต้องเอาข้าวมาแล้วก็เก็บให้บูดหลายๆวันจึงจะเอามาทานเป็นตนน้นอันนี้ก็เศษแห่งกรรมที่รู้ว่าไปด่าคนอื่นให้กินข้าวบูดหรือเปล่าฉั้นเวลากรรมมันให้ผลนี่ก็เจ็บปวดร้อนอย่างนี้แล้ว เมื่อนักชกมวยกําลังชกกันเราก็ได้เบียดเบียนบุตรนักมวยปล้าด้วยวิบากกรรมนั้นเราจึงปวดหลังคือคือคือชาตินี้เนี่ยนะชาติเนี้ยพระโพธิสัตว์เป็นนักมวยเขาโอยตัวตั ว, ต, วตัวเขาเป็นมะขามข้อเดียวไอ้นักมวยคนนั้นมันชนะมาหลายคนแล้วมันโม้มา ก, ก น, นะแล้วก็เลยสำแดงฤทธิ์ให้เห็นก็ไปจับเขากลุ่มนักมวยปลำ้ำมันจับคล้ายๆหักห ล, ลังให้ดูไหมค้ายว่าหักตัวหักหลังหักอะไรเนี่ย มันกรรมอันนั้นพระองค์ก็เลยปวดหลังบอกว่าเวลาเทศเทศไปบอกเราจะนอนแล้วเราเมื่อยเหกันปวดหลังเพราะเศษกรรมที่ที่ได้เคยทำมาทาั้งๆ ท, ที่โครงสร้างทางสรีระของพระองค์เนี่ยนดีขนาดนั้นแล้วถ้าหักหักคอปลาหรอ ล, ลงุงลุงนในในขนาดนักมวยนะต่อยกันเนี่ยโหก็ไปหักคอปลาหักอะไรทุบหัวปลากรรมจะเป็นยังไงตะบานแบกเลยนะตะบานยุบเลยเคยเห็นไหมคนหัวยุบเลยนยะ มาเคยดูในรูปบางคนในหัวนี่มันยุบติดกับพื้นเลยอ่ะเวลากรรมมันให้ผลนี่เรียกว่าร่องรอยร่องรอยเพราะว่าเคยทํากรรมเช่นใดเนี่ยนะเวลาวิบากมันให้ผลก็คล้ายกับกรรมเพราะมันเป็นตัวส่องกรรมส่งให้เห็นถึงเจตนาในอดีตว่าทําอย่างไรเพราะสิ่งวิบากที่ปรากฏขึ้นในโลกสาวไปหาเหตุได้เธอว่า สมควรแก่เหตุแล้วผลที่เกิดขึ้นถือว่าสมควรแก่เหตุขณะเดียวกันเหตุที่ทําใหม่ๆก็จับสมควรแก่ผลต่อไปในอนาคตพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ากลัวทุกข์ก็ให้เลือกทำเถอะบาปเนี่ยนะก็เหมือนคนตาดีเที่ยวไปในถิ่นที่มีหนามก็ทําไงเขาก็ระวังใช่ไหมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราต้องระวังมากเพราะว่าสิ่งนั้นคือคือเราทั้งหลายถ้าเราทําบาปก็คือการสาปแช่งตัวเอง ถ้าเราทำบุญก็คือให้พรแก่ตัวเองในอนาคตรเราเลือกที่จะให้พรหรือเลือกที่จะสาบแช่งกับตัวเองล่ะนนก็ให้พรนะสาธุขยันสวดมนต์กันแล้วกันชมพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ตัวเองก็ได้บุญเท่านั้นอ่ะเมื่อก่อนนะเราเป็นหมอรักษาโรคนะเป็นหมอด้วยได้ให้เศรษฐีบุตรทายาด้วยวิบากกรรมนั้นเราจึงเป็นโรคปักขันที่กาพาดคือโรคลงแดงก็คือด้วยอกุสลเจตนาหมอแกล้งคนไข้อะ่ะ คืคือไม่ได้ถ้าเป็นการรักษาด้วยเจตนารม์ที่บริสุทธิ์อ่ะนะมันก็ไม่ได้บาปอะไรหรอกอย่างหมอชีวกเนี่ยให้พระพุทธเจ้าถ่ายยาแบบนั้นไม่ได้บาปอะไรกลับเป็นบุญแต่เนี่ยแกล้งหมอแกล้งคนไข้สงสัยคนไข้เนี่ยเรื่องมากนะหมอก็เลยจับถ่ายยาให้เข็ดซะเลยเนะี่ยอันนี้ด้วยกรรมอันนี้ก็เลยกลายเป็นโรคถ่ายท้องพราะบางคนใครที่ถ่ายบ่อยๆเนี่ยเคยแกล้งคนอื่นให้ขับถ่ายไว้หรือเปล่าก็ไม่ทราบเลนะ แต่ก็บางคนนี่เขาเล่าว่ า, ง ส, าสงสัยสมควรกับเหตุจริงๆนะันแหละอีกเรื่องหนึ่งนะเราเชื่อว่าโชติปาระได้กล่าวกับพระสุคตเจ้าพระนามว่ากัสปะคือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนในคราวนั้นเรากล่าวว่าโพธิมนทนแต่ที่ไหนนะจักมีโพธิมนทนแต่ที่ไหนโพธิญาณท่านได้โดยยากอย่างยิ่ง ด้วยวิบากกรรมนั้นเราได้กระทำกรรมที่ทำได้ยากเป็นอันมากที่ตำบนอุรุเวลาเสนานิคมหกพันษาแต่นั้นจึงได้บรรลุโพธิญาณแต่เราก็ไม่ได้บรรลุพระโพธิญาณด้วยทางไหนทางคือทุกขกรรมนี้เนี่ยนะเราอันบุพกรรมตักเตือนแล้วจึงสแสวงหาโดยทางผิดอ น, น, นเวลากรรมมันให้ผลไงไปทรมานด้วยความทุกข์ความยากลาบาก6ปีเนี่ย หปีนี้เพราะกรรมเก่าเป็นปัจจัยให้ไปเดินทางผิดเนี่ยนะให้ไปเดินทางผิดเนี่ยเพราะเพราะกรรมที่ไปด่าพระพุทธเจ้าคือเพื่อนเขาชวนเอ่อเพื่อนเขาชวนเนี่ยบอกไปหาพระพุทธเจ้ากันเถอะบอกไปทําไมโพธิยานท่านจะได้มาจากที่ไหนโพธิยานท่านได้โดยยากไปว่าพระพุทธเจ้ายากตัวเองก็เลยยากกว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่สิบเท่าเนะนี่ยนะมันก็ อย่านะปากเนาะปากปากเจ้ากรรมสังเกตดูนะหลายๆมาหลายๆอย่างมาจากปากเนาะขยับเนี่ยขยับลิ้นสนิ้วตวัดไปตวัดมาก็เลยไปถูกหลายๆเรื่องเข้าเนี่ยนะตวัดไปถู ก, กน้ําบ้างตวัดไปถูกก้อนหินก้อนกรวดตวัดไปถูกยาพิษเข้าก็เลยกวนกวายแบบนี้หลยกรรมนี่ขนาดชาติสุดท้ายของผู้มีบุญนะ บัดนี้เราเป็นผู้สิ้นบุญสิ้นบาปแล้วหมายว่าตัดมูลแห่งวัตตะได้หมดแล้วเว้นจากความเร่าร้อนทั้งปวงไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความคับแค้นดับสนิทหาอาสวะไม่ได้พระชินเจ้าทรงระบุพลังแห่งอภินยาทั้งปวงทรงพยากรณ์โดยหวังประโยชน์แก่ภิกษุสงฆ์ที่สะใหญ่ชื่อว่าอนดาุดัดด้วยประการชนี หวังให้เห็นว่านี้วัตะมันเป็นอย่างนี้นะนะกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเป็นสาเหตุของวัตตะันวัตตะเนี่ยจะดีหรือชั่วก็ดูได้จากกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมการกระทำของเราเลือกได้ไหมเลือกที่จะพูดได้ไหมเลือกที่จะคิดได้ไหมถ้าเลือกได้ก็เลือกที่จะรับผลกรรมได้แต่ขณะเดียวกันบางคนเนี่ยเพิ่งมาคิดจะทำดีหน่อยหนึ่งใช่แล้วก็บอกเมื่อไหร่กรรมดีมันจะให้ผลก็ว่างั้น อุตส่าห์เมื่อเช้านะทำบุญสายบาทมานี่จะให้มันถูกหวยนะนะใบบา ย, บายให้ถูกหวยไงมันอันนั้นมันก็เกินไปเหมือนกับว่าเขาบอกโอโ้ใครคนอื่นเขาทําสวนมะพร้าวเนะี่ยได้กําไรหลายตังเลยเพรา็ทําสวนมะพร้าวตัวเองก็เลยเอามะพร้าวสุกไปวางวางวางไอ้เมื่ อ, อไหรมันจะออกลูกอัเนี่้จำว่ามันสมควรไหมบอกโอโ้คนอื่นเขามีสวนมะม่วงเยอะแยะตัวเองก็ไปหาซื้อมเมล็ดมะม่วงแล้วมาวางวางวางๆงดูเย็นก็จะขายมะม่วงแล้ว จะเอามะม่วงอะไรมาขายใช่ไหมอันนั้นมันก็รัดเกินไปกรรมก็เหมือนกันกุศลกรรมที่ให้ผลเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลมีการมีเวลาที่จะให้ผล